สิกขาบทวิพัง534าคำว่าก็เจาะชงภิกษุได้แก่เพื่อประโยชน์ของภิกษุคือมุ่งเฉพาะภิกษุปรารถนาจะให้ภิกษุครองจีวรคำว่าสองคนคือมีสองคนที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าเครหัดชายได้แก่บุรุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าเครหัดหญิงได้แก่ สตรีผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรได้แก่เงินทองแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วตาแมวแก้วผลึกผ้าได้หรือใยคําว่าด้วยซัพย์เป็นค่าจีวรคนละเพื น, นี้คือทรัพย์ที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคําว่าซื้อได้แก่แลกเปลี่ยนคําว่าให้ครองคือถวายคําว่าถ้าภิกษุนั้นในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้ได้แก่ ภิกษรูปที่เขาทั้งสองตรัสรมทยัพย์เป็นค้าจีวรไว้ถวายโดยเฉพาะคำว่าเขาไม่ได้ปรวนาไว้ก่อนคือทายกทั้งสองไม่ได้กล่าวไว้ก่อนว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการจีวรชนิดไหนพวกกระผมจะซื้อจีวรชนิดไหนถวายท่านคำว่าเข้าไปคือไปถึงเรือนแล้วเข้าไปหาที่ใดที่หนึ่งคาว่ากาหนดชนิดจีวรคือกาหนดว่าขอให้เป็นผ้ายาวกว้างเนื้อแน่น หรือเนื้อละเอียดคำว่าด้วยซับเป็นค่าจีวรคนละเผื่นี้คือซัพที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคำว่าเช่นนั้นเช่นนี้คือยาวหรือกว้างเนื้อแน่นหรือเนื้อละเอียดคำว่าซื้อได้แก่แลกเปลี่ยนคำว่าจงให้ครองคือจงถวายคำว่าท่านทั้งสองจงรวมกันคือคนสองคนร่วมกันคำว่าเพราะต้องการจีวรดีคือต้องการผ้าเนื้อดี หรือผ้าราคาแพงเขาซื้อจีวรผืนยาวกว้างเนื้อแน่นหรือเนื้อละเอียดตามคําภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกดเพราะพยายามจีวรเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจําต้องสละแกะส่สมแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้